อป่าโดยสนใหญ่ลเรียนรับตงละกเดี๋ยวดูหสือเหมือนขวดอยู่นเ่ปางไป กือแบดรู้เห็นเป็นขึ้น ศาสนาพุทธศา ส, าสนาเกิดจากป่าเกิดมาจากการปฏริบัติกายใจของตัวท่านไม่ได้ไปศึกษาตำรับตำราที่ไหนพระพุทธเจ้าเสด็จชีิแนะเสริอมออกบวช พิจรณาเนีเ่ยพิจารณาไปทาที่กันรู้กันเห็นเป็นในพระไทยขอ ง, ขงท่านจนทาที่สุขุมละเอียดอ่อนไม่อยากจะทรงแนสอนสัพพัสเพราะเหตุว่าสัตว์ทั่วไปนั้นจิตใจอยากไม่สามารถที่จะรู้จะเห็น ทำอันที่ท่านรู้ท่านเห็นนั้นได้จึงพอพระทยนี่เบื้องต้นที่ท่านตัดสู้ใหม่ๆ่เข้าใจว่าธรรมนั้นเหลือวิสัยของสัตว์โลกพอธรรมเป็นของละเอียดสุกขุมตัดถั่วไปมนุษย์ถั่วไปที่จะใช่ายคิดที่มีพิจารณาธรรมอย่างที่ท่านรู้ท่านเห็นนั้น ก็จะมีภาพพื้นฐานของมนุษย์ทั่วไปคิดกลงไปจนระยะจะเรื่องที่ท่านรู้ท่านเห็นแต่เมื่อมาที่นี้พี่เจนาระยะยาวนานเข้าก็ทราบว่เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งทำไมรู้ทำไมเห็นทำแบบนี้มนุษย์ในโลก ไม่ใช่ว่าเขาก็อยากจะชั้วขั้วไปคนจึงมีอุปนิสัยสามารถควบคุมมีสติเกียกับดดลบัวซีเหล่าดลบัวที่พ้นจากน้ํำพอถูกแสงไาทิพย์เขจะแยมบานอยู่ในระดับน้ําทุ่งนี้เขจะโผล่้นขึ้นมาที่ต่ำไปกว่านั้นประนานวัน จะคว่ำขึนมาอีกบางทีอยู่โลกเ ล, เล่นในตมัน <c oughs> นั้นไม่ยแน่นอนบางทีก็เป็นภาษาข อ, อ, องปล า, า, าของเส่าไปนุษย์เราในโลกจะทันนองโยกันคนที่มีสติปัญญาาสามารถก็คงมีแต่บางทีงานอย่างบางทะมีภาษาหเหนตาภาษา แนสอนทํมมามให้ธรราะคือกันสอนท่านจะได้มาจากกายจากใจกที่ประเทปฏิบัติไม่ใช่ว่าได้มาจากตํำรับตำราเพราะสมัยนั้นยังไม่มีตํำรับตาราครูอาจารย์สมัยก่อนก็เคยแนสอนกันโดยปากปล่าจนพราะพุทธเจ้า ป, าปรินิพานมานานตักงสองสามร้อยปีจึงจะมีตํำรับตาราทางศาสนาเกิดขึ้น แต่ก่อนฟังไม่มีเทปมาอาัดไม่มีการจดจารึกเอาไว้ใครฟังก็อนธรทมที่สัมผัสกับใจ <c oughs> ไปนึกคิตที่เจรณนานศึกษาตั้งหน้าปฏิบัติมีการฟังทรรมสมัยพุทธกาจารไม่ได้จดจารึกไม่ได้มีเทปอัดเอาไว้แต่ก็ คนที่สนใจไปฟังธรรมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติในอัดธรรมที่ท่านแนะนใครเก็บจที่ไหนได้ก็นาไปปฏิบัติการปฏริบัติก็เกิดผลขึ้นได้รับความสุขความสบายภายในความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติ ก็เกิดขึ้นยิ่งปฏิบัติไปเท่าไรจิตใจละถอนกิเลสก็ ย, ยิ่งสุขยิ่งสบายขึ้นทุกวันทุกเวลาจนละถอนเจร็จสิ้นยังขาดจิบของใจที่ก่อควรวุ่นวายให้หายไปขาดไปหมายถึงทำหายขาดจากกิเลสตัณหาตัวของตัวก่วอสร้าง ว่าจิตใจในเหมือนเก่าก่อนถึงสิ่งอื่นจะมีคงเส้นคงวาไม่ว่าวัตถุภายนอกหรือตัวของตัวเองเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์มีอยู่ดาดเด่นทั่วไปกวาต่างแต่ใจนั้นเป็นอย่างไร ท่นานทราภายในของท่านผู้กระเื่อปฏิบัติในอดในธรรมที่รู้เห็นตามเป็นจริงกว่าทราบว่ามันไม่สัมผัสไม่ซึมซาบกันจึื่องนั้นนัน้นก็เป็นของจริงตามหน้าที่ของมันผู้ที่ไปเห็นเร่งเหล่านั้นก็เป็นของจริงอีกไม่เกี่ยวข้องกันต่างอันต่างอยู่เลยสุขเลยสบาย ในวุ่นวายก็อควรตัวเองอีกนี่คือปุกนำธรรมะถี่เราพุทธเจ้าเนี่ยสอนอไปต่เพื่อปัจจุบันในเช่ฟังเสือเอาบุญเหมือนคนสมัยปัจจุบันนี้สังเกตพอเป็นที่ที่สังเกตเอาบุญถืออย่างนั้นแต่ความคิดก็ยังดีกว่าคนที่ไม่สะดับรับฟังเชยเลยก็ถคอว่า ฟังเทศเอาบุญถ้าจิดเป็นบุญจิตก็มีความสุขความเยือกเย็นการฟังเทศทิ่จะให้จิตของตัวเยือกเย็นเป็นบุญนั้นจะต้องอาศัยตัวเองห้ามกัน้นสัญญาอารมณ์ต่างๆถีอเสว่าการมาฟังเทศการ น, นั่งฟังเทศการงานทุกอย่างาเราไม่เด็จะทํทำ ก็โกมันเด็กผู้ายโรมันเด็กทำงานอะไรมีใจใจเท่านั้นที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญาอารมณ์ที่ผ่านมาในอดีตหรืออนาคตคิดตรงว่าจะไปทำอันนั้นทำอันนี้ระยะที่ฟังจะจะให้เกิดความสุขเกิดบุญจะต้องตัดปัญหาั้งใจ ไม่ไปเกี่ยวเกาะกับสัญญาอารมณ์ภายนอกตัดออกหมดล้างใจของตัวให้สะอาดไม่ไปเกี่ยวข้องยุ่งกับเรื่องต่งตางๆภ า, ายนอกอาศัยทม ท, ที่ท่านแน่สอนไปสัมผัสกับใจเมื่อทา คือทางแสดงไฟสัมผัสกับใจใจก็เยือกก็เย็นก็สงบนี่เรียกว่าเป็นบุญคือสงบสุขเกิดขึ้นถ่าใจไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายนอกถึงฟังขนาดไหนใจก็ไม่สงบเยือกเย็นให้ใจก็ไม่เกิดความสุขเพราะจิตตรงยุ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆไม่ในขาดระยะ ทั้งๆ ท, งที่ตัวไม่ได้ทําตัวไม่ได้พูดแต่จิตมันคิดมันปรงุงแผ่นจึง ห, ห้ามกั่นเอาไว้ก็เราผูฟังเถ่านั้นจะทราบว่าไรจิตคือ ค, คิดปรุงของตัวถ้าหา้ามไม่ห้ามกั่นเอาไว้ปล่อยให้ใจไปคิดปรงุงภายนอกมันก็สงบไม่ได้เกิดวุ่นวายเดือดร้อนเมื่อไร่กันจะหยุด ในการเทศการสอนเลยคิดไปแง่อื่นเสียหนักนิดนิดห น, น่อยหนวรู้สึกว่าเหน็บเหนืนน่อยเหนื่อยหิวเสียปวดเพราใจไม่อยู่กับตัวเลยธรรมะไม่เกิดประโยชน์ให้ที่ท่านฟังสมัยก่อนพอถูกแนนสอนท่านตัดปัญญาอารมณ์ออกไปตั้งใจ กำหนดอยู่ในบทของธรรมหรืออยู่ในอารมณ์ของธรรมจิต ค, คนที่ฟังไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอื่นก็ค่อยสงบเขาไปค่อยสงบเขาไปคอสงบเขาไปก็เห็นอันนี้สงความสุขความสบายภายในการฟังธรรมคือทั้งฟังทั้งทำจิตทันใจของตัว ให้สงบให้ระ ง, งับเพราะจิตของคนทั่วไปไม่ว่าอยู่วัดอยู่บ้านอยู่สถานที่ใดมักปรุงมักคิดไม่ได้อยู่ภายในยิ่งวุ่นไปตามสัญญารมต่างๆไม่มีสติหัดห้ามไม่มีปัญญาแนี่ยสอนตัวหยุดจริงไม่มีความสงบไม่มีความสุขให้เหมือนคน ไม่เด็กนิ่งยิ้ตามถึงนั้นความจริงคนที่ยิ้มวุ่นหรือทํางานไม่เด็พักผ่อนไม่มีกาลังเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวหยุดใจคือยุ่งเกี่ยวกับสั้นยาอารมณ์ก่อทํานองเดียวกันแทนที่ให้ห้ามกันหยุดใจของตัวนำมาอยู่เฉพาะบทของธรรมจะบริกรรมก็ได้ จะกำหนดลมหายใจก็ได้แล้วแต่อัธยาศัยของใครชอบอะไรที่จะทำจิตใจของตัวให้สงบสุขเวลาฟังถ้าเราหนีนกำหนดจิตข้างตั ว, อ, ว, วต อ, อยูออย่ในทำบริกรรมกว่าดีในลมหายใจกว่าดีหรืออะไรที่จิตมันสัมผัสจับดูนะั้น หนึ่งเนั้นทาที่ท่านพูดไปนั้นเกาะจะรั่วไหลเข้าไปสู่ใจของเราถึงเราไม่ฟั ง, าางน่าจะฟังแต่มันก็ะเข้าไปเพ้าหูเรามีเก็นเกี่อนับเสียงเยงมื่อเราฟังรำด้วยมีสติห้ามกันสัญญาอารมณ์ทางนอก เอาทเขอไปสัมผัสกับใจอย่างนั้น <c oughs> เราฝูฟังก็เกิดความสุขความสบายรู้อดเห็นทำที่กานแสดงไปอะไรที่เคยสงสัยก็ค่อยหายไปทามูขุของใจที่ไม่เคยเกิดเห็นก็จะเกิดจะเห็นขึ้นนี่เป็นเบื้งองต้นที่จะเกิดศรัทธา เพื่อเลื่อมใสในการปฏิบัติทางอาจธรามถ้าไม่เป็นเพียงแต่ได้ยินคนอื่นว่าการปฏิบัติธรรมได้รับความสุขอย่างนั้นได้รับความสบายอย่างนี้แต่ตัวเองไม่เคยสัมผัสไม่เคยเห็นอาจธรรมเกิดขึ้นจากตัวถึงจํามาได้ก็เลื่อมไปเหยียบไปในเข้าถึงใจจริงจัง พอคนอื่นพูดให้ฟังกับการเกิดขึ้นจากตัวของตัวนั้นมันเป็นคนละอย่างถ้ามันเกิดขึ้นเก้นขึ้นจากตัวของตัวมันไปทับใจจำได้ในค่อยลืมหลงมีธรรมที่ท่านปฏิบัติก็าทานองเดียวกันท่านเกิด ึิจจากการปฏิบัติของท่านเกิดึินจากใจของท่านในว่าพระพุทธเ จ, จ้าหรือสาวกทุกๆพระองค์ที่ประพฤติปฏิบัติอาจทำมาสิ่งที่เป็นที่เห็นในท่านท่านไม่เคยลืมหลงเพราะไม่เป็นสัญญาที่จำมาจากคนอื่น คือมันเกิดขึ้นจากตัวของท่านเองแต่สิ่งที่ท่านลืมหลงมันก็มีเป็นธรรมดาเช่นที่คนลืออะไรต่างๆที่จำมาเยอะกว่าหลงก็ลืมไปแต่เรื่องของใจที่เกิดขึ้นโดยการปฏิบัตินั้นไม่มีวันเวลาที่จะลืมหลงมันเกิดขึ้นแบบไหนเป็นอย่างไรเราที่เจรณาอย่างไรใจจึงสงบถูกอย่างนั้น ท่านจะทราบจากกา ร, ป, รปฏิบัติของท่านทุกๆคนไปแต่การทราบธรรมเข้ า, าใจธรรมจิตใจเป็นธรรมนั้นมันไม่เหมือนทางโลกทางโลกได้เห็นอะไรมากอยากจะคุยกันพูดกันอวดกันแต่ทางธรรมนั้นไม่เช่นแบบนั้นถึงเห็นถึงเป็นภายในจิตในใจท่านต่อ ไม่อยากจะพูดเพราะพูดไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจากการพูดของตัวท่านจึงนึ่เก็อยากจะพูดหนุนเชื้ออยู่ก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายเพราะคนอื่นเขาฟังแล้วเชื่อเหลื่อมใสก็เป็นความดีของเขา เขารูหมิ่นมิ น, มนทาว่าพูดบ้าบๆบาบๆก็เป็นบาเป็นกรรมของเขาส่วนเรานั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตามลมปักเขาสรรเสริญบอกคงที่เขาตำมนิก็ไม่เสียหายนี่คือใจที่ทันได้ทันเห็นทันเจนในธรรมไม่มีอะไรที่จะวันไวเอียงไปตามเรื่องของโลก แ่นจิตสงบถุกอยู่ทุกอิริยาบถถึงห่างกายจะแป่ปวนไปตามเรื่องของโลกจิตใจาาด้านตัทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้หน้าที่ของมันมันเป็นไปอย่างนั้นจิตใจในตัวผัดขวางห้ามกัน้นเพราะทราบแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปอย่างนี้ห้ามกัน้น เอาไว้ก็ไม่เสื่อฟังเรื่องของสั้งฐานมันเป็นอนัตตาว่าไม่ได้มันจะเป็นไปตามหน้าที่ของมันนี่คือผู้ที่มีอัจทำภายในใจท่านไม่มีการหวั่นไหวในการป่วยการตายของท่านท่านเห็นท่านเป็นในใจ ทราดีที่เจนามาทั่วอะไรที่มันแด่วนกว่วทราบอะไรที่มันแตกสลายกวัวทราบสิ่งที่ไปรู้ไปเห็นเป็นอย่างไรกวัวทราบเมื่อมันเป็นอย่างนั้นสิ่งที่มันไม่เสื่อมสลาย <c oughs> ไปตามเรื่องของโลกทันทราบดีสิ่งที่มันเสื่อมสลายไปทันทราบดี สันจึงไม่มีปัญหาอย่างพวกเราธรรมดาห่วงหวงเอาไว้ยึดถือเอาไว้ไม่อยากจะให้มันแปรปวนไปอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งที่ดีที่ชอบกอะกลวยออามาสิ่งที่ไม่ชอบไม่ปรารถนาะขับไล่ออกไปแต่มันก็ะกกวยออาไม่ได้สวมหวังขับไล่ออกไปไม่ได้สวมหวังอีกเหมือนกันใจมันยังรับ ดีนั่งก็รับเอาชั่วนั่งก็รับเอาใจไม่เป็นฟ้าใจไม่เป็นธรรมสิงกรอบกลวยสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ถ้าหาใจรู้เรื่องของธรรมชัดเจนในเป็นอย่างนั้นผันจึงอยู่ก็สบายตายก็สะดวกไม่มีห่วงมีห่วงใม่มีเย็ดมีเกี่ยวหนีเครือจิตเจสิญหัดปฏิบัติอาจทำ ถึงที่สุดแล้วก็ไม่สงสัยว่าใจของเราบริสุทธิ์หรือไม่พอจิตจิตพอไปถึงบริสุทธิ์นั้นมันทราบกันทุกผนหน้าจะเป็นเด็กก่อตามเป็นคนหนุ่มคนสาวคนแก่ก่อตามทราบเกียบง่ายง่ายเียบง่ายง่าย เหมือน ก, นกันกับทานอาหารใครทานอิ่มจะต้องทราบโดยตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นบอกว่ามันอิ่มเลยนะคนนี้ไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปถามเพราะทราบจากตัวของตัวว่ามันอิ่มถึงจะเป็นใบถูไม่ออกเพทราบความอิ่มของตัวมีการสาธิตปฏิบัติทางศาสนาก็ทํานองเดียวกันท่านทราบ จิตของท่านบริสุทธิ์นอกจากนั้นยังทราบจิตคือบริสุทธิ์ในอดีตที่ผ่านไปพระพุทธเจ้าหรือสาวกเป็นอย่างไรพอดูความบริสุทธิ์ในใจของตัวเท่านั้นบางตัวทราบทั่วไปหมดนี่คือการปฏิบัติด้านภายในด้านกายใจของตัวการปฏิบัตินี้ <c oughs> มีคุณค่ามีสาระ ยิ่งกว่าการศึกษาตำรับตาลาการศึกษาการตำรับตาลามีคุณค่าสามารถที่จะพูดแนะนคนอื่นได้แต่ก็ไม่สามารถจะขับไล่วิเวทออกจากใจให้ตกไปจำมาได้พูดได้แต่จิตใจของตัวเป็นอย่างไรไม่ค่อยจะรู้จะเข้าใจเพราะเหตุนั้นเมื่อเรื่องต่างๆ พอมาเกี่ยวข้องทั้งทั้งที่มีความรู้เคยเรียนศึกษาจำหรักํำลาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนก็ได้แต่โลภโกรธหลงภายในใจยังมีเต็มที่เต็มฐานไม่มีอะไรตกหายไปเพราะจำตำลามาทั้งทั้งที่พูดได้แต่กิเลสมันก็ยังคงเส้นคงวาไม่มีอะไรหลุดหลุยเสียหายไปนี่คือ การศึกษาด้านสำหรับตำราอย่างเดียวไม่ได้ขาพึ่งปฏิบัติดอศึกษาออกไปนอกไม่ศึกษาเขามาภายในแต่ส่วนการปฏิบัติศึกษาเขามาภายในดูใจคงตัวชั่วดีทราถึงจะทำอากับมกิริยาท่าทีอย่างไรท่านก็ทราบว่าทำแบบนี้ทา เือเรื่องของโลกที่จะให้เขาทราบแต่เขาเขาใจแต่ตัวจิตใจจริงจังมันเต็มไปไหมเต็มไปแบบนั้นท่านสร้างสรรค์วิริยาสิโลเขาใช้กันอย่างไรท่านที่ <c oughs> รู้เข้าใจในอาจในธรรมท่านก่อนนำมาใช้แต่จิตใจท่านไม่หวั่นไหวยิตใจท่านไม่เต็มไปตามอาการ น, นั้นนั้น ท่านจึงไม่มีอะไรติดข้องสงสัยแต่คนทั่วไปจะทราบเรื่องของท่านนั้นมันยากเพราะเราไม่เคยเห็นเคยเป็นในตัวของเราพูดไปแบบไหนทาอาับกิริยาชาี่อย่างไรก็เข้าใจว่าท่านจะเป็นอย่างนั้นพราะเราเองมันเป็นอย่างนั้นมันบ่งบอกออกมาจากใจให้ทาไปแต่ท่านที่บริสุทธินั้น เป็นอย่างไรเราก็เลยไม่ทรบาบเพราะเราไม่เจนไม่เห็นในจิตของเราว่าความบริสุทธิ์ของท่านเมื่อท่านทําแบบนี้พูดแบบนี้อยู่จะมีความบริสุทธิ์ได้อย่างไรก็าอาจจะเกิดสงสัยขึ้นเมื่อท่านทํารุนแรงเรืนบางสิ่งบางอย่างไปเลยเกิดสงสัยแต่ความจริงผู้ที่ท่านรู้ท่านเห็นจริงจังนั้นไม่เป็นอย่างนั้น ถึงจะดาว่าหนักจนคนฟังคนไม่ไว้จะไปโดดผู้เขาตายอย่างพระวัตริ์ผู้พระุทธเจ้าผู้ดาว่าแต่ท่านไม่ได้ดาว่าโดยชี้เหล็กตันหาไม่ได้ดาว่าโดยความโปรธท่านดาว่าเพราะคนนั้นมันยากเพื่อจะให้คนนั้นกลับใจนึกคิบ จะใหม่จะจะได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอาจทมถ้าหากพูดธรรมดาธรรมดาเขาไม่ถึงใจเขาเขาจะไม่ยอมจำนวนประพฤติปฏิบัติไม่ยอมจำนวนทำตามคำรับสั่งของท่านท่านจริงพูดหนักจนเสียใจจะไปโดดภูเขาตายแต่ก็จับใจได้ประพฤติปฏิบัติอาจทม เป็นไปจนเหนเป็นสารณะเป็นพระอรหันต์ของพวกเราท่านมีพระพุทธเจ้าท่านก่อใช้แบบนั้นครูอาจารย์สมัยปัจจุบันที่ท่านรู้ท่านเข้าใจทำว่าทํานองเดียวกันบ้างท่านบ้างคนเห็นว่าท่านดุมากทำดุของท่านก็ดุเป็นบางผู้บางคน ถ้ามันยาบทางปลายทำายากเพ่จะให้ถึงใจนวนกันกับั้างทิ่ทำไมไม่ทั้งท่อนจะเอากระดาษท้ายไปขัดทีเดียวไม่ได้เมื่อมันยังหยาบอยู่เทาก็บใช้ใช้ขวานไปตัดไปผ่าเพื่อจะให้มันถึงแก่นของมันเข <c oughs> าทำอย่างนั้น จะทำให้ไม้มันเสียหรือไม่เขาจะเอาประโยชน์จากไม้ต้นนั้นไม้ที่ในถูกตัดถูกฟันยืนต้นลมพัดใบอยู่ในป่าไม่มีคุณค่าราคาอะไรไม้ต้นใดที่เขาไปตัดไปฟันเขาเลี้ยงเขานำมาทาบ้านทำโต๊ะทาเตียงทำเก้าอี้ทาอะไรต่างๆ น, นะไม้ต้นนั้นน่ะมีคุณค่ามีสาระมีราคาที่ยืนตนอยู่ในป่าไม่มีใครขอสนใจเรื่องพวกเราที่เข้าไปหาครูอาจารย์่ท่าดดูด่าว่ากล่าวต่างๆก็เหมือนกันกับต้นไม้ที่คนไปฟันไปตัดเพื่อจะให้เพื่อประโยชน์ถ้าครูอาจารย์ไม่ดูดา่า แนอนอะไรต่อยให้เราเป็นไปตามอำเภอใจของเราที่มีตัณหานำพานั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรให้ถึงจะอยู่ในป่าในวัดในวาพออยู่ตั้งแต่สักว่าจิตใจมันก็ลัวไหลไปตามอารมณ์ท่านยาชิเหตตัณหาอย่างเดิมท่านจริงดุจดาจิงว่าจิงตาล่า เตือนนักบ้างเบาบ้างตามหน้าที่ของท่านคือจะแนะนำสอนถ้าทุกคนทราบเรื่องเหล่านี้การจะกลัวครูกลัวอาจารย์คือว่าท่านดุท่านด่าก็คอยเบาลงไปหรือว่าเรานี่มีคุณค่าครูอาจารย์ท่านช้อนใจท่านจึงดุจึงด่าท่านรักท่านจึงสอน ไม่ได้ถือว่าท่านดุเอาเรียกเกินด่าเอาเรียกเกินท่านโกรธเราคนอื่นเขาท่านไม่เห็นท่านด่าท่านพูดแบบนี้ถ้าไปคิดแบบนี้ก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะสัน่กใจทองตัวให้ค้นจากขั้วจะกเสียไปได้โดยจะเกิดทุกข์เกิดโทษต่อไปมีการปฏิบัติใจก <c oughs> ับครูกับ อ, อาจารย์เราจะต้อง ีิจารณาหลายแง่หลายมุมเพื่อจะแนะสอนตัวของตัวให้ยู่ได้สะดวกสบายในอย่างนั้นก็นจะไปโทษไปตำหนิแต่คนอื่นมีหมายถึงอยู่ในหมู่ในคณนะถ้าอยู่แต่ตัวคนเดียวละเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรเราจะต้องปฏิบัติดูภายในของตัว อยู่ทุกระยะทุกเวลาคือว่าเราอยู่คนเดียวในด้อยู่ในวงของครูของอาจารย์ห น, นึ่งพักวัวกเพื่อนฝูงที่จะแนะจะสอนถ้าเราชั่วก็ไม่มีใครที่จะตักจะเตือนให้เราจึงจะต้องรักษาตัวพิเศษคือมีสติมีปัญญาดูแลรักษาใจขางตัว อารมณ์ที่ชั่วจี่เสียก็ดีเมื่อเกิดขึ้นถ้ามีสติจะต้งทราบ ม, มีปัญญาจะต้องรู้ว่าอารมณ์อันนี้เป็นชิดเป็นไยัยสำหรับใจข้องตัวปล่อยให้นึกคิดโยวข้องใจจะต้องเำเอไปในทางชั่วทางเสียรเราจะต้องหักห้ามเอาไว้ในปล่อยใจให้ไปเกี่ยว ในอารมณ์สั่วเสียน่นั้นอารมณ์ใดที่จะทำจิดทำใจให้เยือกเย็นเป็นอาจเป็นธรรมถึงยังไม่มีก็พยายามคิดปรุงให้ใจไปเกาะไปอาศัยหรือไม่อย่างนั้นใจจะสงบระงับได้ด้วยอุบายที่คีใ ด, ดก็มันใส่คิดที่จะได้นา พอถือว่าไม่มีใครที่จะแนะนเราถ้ากลัวเปลื่ยนผงจูอาจารย์ไม่มีเราจะต้องรักษาจิตใจของเราเต็มที่นี่หมายถึงไปอยู่คนเดียวอยู่ในชีวิเวจะต้องรักษากายว่าใจใจของตัวอย่างเช่มงวดกวดขันม่อย่างนั้นจิตใจจะไม่เป็นไปให้เพราะไม่กลัวอะไร ผู้อาจารย์หรือพระผัวผ่วนปุ่งไม่มีเราอยากจะทาผัวทำเสียคิดผัวคิดเสียไปอย่างไรก็คิดไปนี่ไม่ใช่ผู้ไปปฏิบัติไปเรืยร่ยๆเพื่อสงบระงับกิเลสกันหาการอยู่ป่าโดยส่วนใหญุ่ระหน้าที่ของพระพอดี <c oughs> ไม่ค่อยมีเหมือนอยู่บ้าน วัดบ้านของเขามีการงานมากอย่างนั้นอย่างนี้จงกันขึนทำกันขึ้นเลยไม่มีโอกาสเวลาจะภาวนาละกิเลสมีแต่คิดเรื่องนอกเรื่องธนะเรื่องวัดวายุ่งอยู่กับสิ่งนอกนอกเรื่อยเื่อยมา ไม่ค่อยมีเวลาจิตจะดูจิตดูใจของตัวมีเพียงอยู่ป่ามีโอกาสเวลาเพราะการงานด้านนอกตัดออกไปที่อยู่ที่อาศัยกต่เฉพาะตัวที่ไม่ได้อยู่ร่วมกันจิติแต่ละหลังห่างกันพอสมควรไม่ได้อยู่ติดกันแล้วเสียงในป่าก็เงียบสงบ ข้อสำคัญสิ่งภายนอกไน ม, มีอะไรที่จะมาลบควนให้ใจเดือดร้อนนอกจากอารมณ์ท้องตัวจี่ชั่วจิดเสียจิตเคยมีอยู่ในจิตในใจมันปรุงมันคิ ด, ดออกไปอยู่ตาตั้งแต่กายใจมันไปเกี่ยวข้องสัญญาอารมณ์ของโลกของบ้างอย่างนั้น การภาวนาก็ไม่เคยเกิดผลให้เราจะต้องสั้งวรระวังใจการคิดไปแบบนั้นเคยคิดไปเป็นระยะยาวนานภาหาที่เหลือตัญหามันจะตกไปหมดไปโดยการคิดแบบนี้เราก็ไม่มีที่เหลือตัญหาแล้วถ้เราฝืนคิดไปอย่างเก่าอยู่เราก็จะเป็นแบบเก่าไม่มีอะไรที่จะดีหรือเกิดผนให้เราจะต้องห้ามใส่ของตัว ด้วยสติด th ้วยปัญญามากำหนดทุจริาอรมที่พระพุทธเจ้าสอนขาดจุตมันทุ่งซุงมันคับไม่อยู่ผมพยายามกำหนดบทบริสุทธิ์หรือกาหนดลมหายใจเก็บผูกเอาไว้ไม่ให้มันไหลออกไปสู่ข้างนอกขาดจิตมันอยู่มันรวมมันสบาย ในจิบปรุงอะไรเรื่องนอกพยายามพิเจนาอัดรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้จะพิเจนาเรื่องของกายเวทนาดรวยจิตทำก็ได้ดไดถ้าจะเป็นอุบายแก่ใจที่ไปสงสัยของจิตต่างๆเมื่อมันเกิดปัญญาสิ้นภายในมันจะ แกไ้ไขสิ่สงผิดตรงสัยต่างๆให้ตกออกไปจากใจถ้าอาศัยแต่ความสงบหมายที่นี้พี่เจนะธรรมะอะไรปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นเพียงแต่สงบอยู่เท่านั้นเมื่อ บ, งบังคับความสงบไม่อยู่ทําไม่ได้ตามปรารถนามันก็เดือดร้อนวุ่นวายขึ้นฉะนั้นเรื่องสมาธิเรื่องความสงบของจิต เป็นที่พักที่ผ่อนเหมือนกันกับบ้านของเราเราสร้างขึ้นเพื่อจะพักผ่อนหลับนอนไม่ให้แดดเผาฝนตกผูกเหมือนเวลาฝนตกก็ดีแดดมาก็าดีเท่านี้คืพักคืออาศัยฝนตกแดดออกก็ลำบากลมมาก็มีฝากร้นหนาวจัด ฉะนั้นเรื่องสมาธิก็เป็นเรื่องจำเป็นอันหนึ่งแก่จะต้องคิดดูว่าบ้านที่เราอยู่เราอาศัยนั้นถ้าหากเราไม่ทำการทำงานอะไรอาศัยอยู่แต่ในบ้านก็ความสุขมีเล็กใ น, น, นหน่อยอาหารเครื่อใช้สอยต่างๆที่เราได้มา บริโภอุปโภคต่างๆไม่ใช่มันเกิดขึ้นในบ้านของเรามันอยู่ภายนอกบ้านจาเป็นจะต้องสแสวงหาเมื่อแสวงหามนมีที่พักที่อาศัยมันก็ลำบากพอสแสวงหากินที่เราปราศจนาได้มาเราก็มาพักอยู่ในบ้านขางพองเราพะพักถ่อนหลับนอนมีกำลัง เพียงพออยากจะไปหาอีกออกไปอีกก็ออกไปได้สะดวกสบายมีสมาธิปัญญาก็ทํานองเยียวกันสมถะวิปัสนาไม่ใช่ว่าจะมีแต่สมถะอย่างเดียวหรือวิออปัสนาอย่างเดียวมันเป็นคู่กันไปถ้าไม่มีสมถะคือความสงบท้องใจการที่เจริญจะเป็นวิปัสนามันก็เป็นไปไม่ได้ไลยเกิดเป็นัญญา จำหมายมาจะละจะถอนี่เลสให้โตออกจากใจมันเป็นไปไม่ได้จึงต้องมีสมถะและวิปัสสนาเป็นคู่กันไปสำหรับกำจัดทับไร่เรื่องจิตใจสีเขื่วเสีเยต่างๆให้หายสงสั ย, ยการไปเทธปฏิบัติภายใน พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอย่างนั้นและท่านเองก็เคยทํามาอย่างนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันมีมากเหมือนกันกับยามีมากโรคของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันจะต้องทราบโรคของตัวไหวจะควรรับทานยาอะไรจึงจะระงับดับหายจากโรคแบบนี้ แันใดพวกเราพอพฤฤฤฤฤฤฤฤื่ปฏิบัติธรรมนี้นายก็จะต้องดูใจข้องตัวราย้านนี้ยุดใจมันไหลไปในด้านไหนมีธรรมะข้อใดที่จะแก้ไขเร่องจิตใจส่วนนี้จะต้องเสลตาที่เจ้านาดูก็่จะแก้ไขให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นปวดที่สจะเอายาแก้ หายคฉันมาทานมันก็แบ่งหายเพราะมันยาแก้โรคหายเลยจะไปไมาฉันเหรหายจะแกกววาทีา่สะมันไม่ถูกกันยาแต่และอย่างก็มีคุณค่าสำหรับโรคที่มีอยู่ในกายแต่มันโรคมันเกิดขึ้นเป็นบางสิ่งบางอย่าง จะต้องหายาที่เป็นประาปาักกันมาแก้ไขนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้ากว่าทรนองเดียวกันมีมากระยะวลาจิตของแต่และท่านแต่และคนก็่มีมากที่มันคิดมันปุงออกไปเราจะธรรมะอะไรนำธรรมะอะไรมาสอนใจนั้นต้องมีอุบายมีปัญญาที่เจราญนะแน่สอนตัวเองไม่อย่างนั้นก็จะถือว่า ยาไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวหรือธรรมะไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวเพระเพื่อปฏิบัติมาะระยะยาวนานไม่เห็นอะไรดีวิเศษให้ก็เพราะเราไม่เลือกหาธรรมะที่ตรงกับวิเดตันหาของตัวมาแก้ก็เลยไม่เกิดประโยชน์ให้เลยถือว่าธรรมะ ขาดการกะขาดสมัยพอพฤ่ปฏิบัติไม่เห็นไม่เป็นอะไรให้อยู่ที่นั้นก็เคยไปที่นี้ก็เคยฟังแล้วจิตใจยังไม่เคยมีอะไรอยือกเย็นรู้เห็นดีเด่นนี่จะยุ่งเย่อวุ่นวายอยู่เหมือนเดิมนี่คือคนไม่ฉะลาดนำธรรมะ มารักษาใจของตัวถึงธรรมะจะมีอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์ให้เพราะนำธรรมะ น, นั้นมารักษาใจของตัวไม่เส็่ฉงังนั้นตัวผู้ปฏิบัติจะต้องพิจ า, ารณาวาไรติของตัวถ้ามันฟุ้งลุงเพิดเทินมัวเมาเหื่อเฮม ไม่มีวันเวลาหยุดพักผ่อนบรีบบริกรรมตั้งมั่นในคำบริกรรมของตัวเข้าไปยึดมั่นในคำบริกรรมมั่นนั้นเพื่อจะให้จิตใจมันรวมมันลงมันสงบเพราะคำบริกรรมถ้าเราเอาใจใส่ไม่เผลอสติบริกรรมอยู่นั้นอารมณ์จะ ขุดขึ้นก่อตามผ่านมาก่อตามไม่เกี่ยวข้องจะจดจ่อตั้งมั่นในคำบริกรรมอยู่อย่างนี้ถ้าจิตไม่ลงถึงขีเมื่อไรยังบริกรรมได้แล้วใจบริกรรมอยู่ถ้าเราผูกจิตมั่นทำอย่างนั้นจิตที่เคยฟุ่งฟุงไหนเคยรวมรวมมันก็จะรวรวมได้ ถึงไม่รวมรวมจิตเราก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับสัญญาส่วนนั้นมันก็สะดวกสบายพอสมควรแต่โดยมากแต่ทำจริงจังจะรวมลงเป็นหนึ่งคือตัดขาดจากอารมณ์สัญญาภายนอกภายในภายนอก หมายถึงอารมณ์ที่เกิดจากคนอื่นสัตว์อื่นเรื่องอื่นภายในหมายถึงใจที่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของขาดของขันมันจะตัดขาดทั้งสองอย่างรวมนิ่งเงียบสบายไม่ยึดเรื่องของาย ว่ามันเจ็บมันปวดมันเหน็ดมันเหนื่อยอะไรตลอดเรื่องของกายถ้าหากมันรวมลงถึงที่จริงจังมันไม่ทราบว่ามันมีกายเพราะมัไม่ไ เ, เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้มันอยู่เฉพาะเรื่องของมันเอกเทศก็ว่าได้ มันเย็นมันสบายนี่คือมันรวมไม่มีการเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์อะไร <c oughs> ถ้ามันไม่ถอนขึ้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นความเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวการเวลาผ่านไปกี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่วันถ้าหากมันไม่ถอนมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกับเวลา เหน็ดเหนื่อยเหมื่อยหิวต่างๆนานามันหมดไปตกไปทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เข้าไปถึงความรวมพ้องจิตความสงบพ้องจิตอันนั้นเจียดนั้นท่านเข้านิโรธสมาบัติเจ็ดวันเจ็ดคืนเพื่อจิตเขารวมถึงที่ไม่มีการเหน็ดเหนื่อยเหมื่อยหิวไม่มีการห่วงเงอห้าวนอนไม่มีการอยากดื่มอยาก ทานอะไรเพราะใจมันไม่ออกมาภายนอกอยู่ได้สะดวกสบายถึงจะอยู่เ็ดวันเจ็ดคืนนั้นถ้าหากจิตเป็นหนึ่งรวมอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้คำานึงคำนวณ ว, ว่ามันนานขนาดไหเพราะใจมันไม่ได้เกี่ยวข้องถ้าจึงอยูย่ได้ใจไม้มีการไม่มีเวลามันอยู่ เฉพาะเรื่องของมันไม่ได้คิดว่ามันนานขนาดนั้นขนาดนี้ถ้ามันมาคิดส่วนอื่นอย่างนี้มันกดถอนกลินมาจากรวมแล้วมันจึงคิดได้นี่คือมันรวมเป็นหนึ่งจริงจังมันเป็นอย่างนั้นมีจิตที่รวมได้รับความสุขความสบายอย่างนั้นคนที่ไม่เคยเห็นเคยเป็นเมื่อเป็นอย่างนั้น มันก็เกิดอัศจรรย์เพราะความสุขความสบายแบบนั้นเราไม่เคยเห็นเคยเป็นมากอ่อน